บทภาชณีติกะนิสกี้ยปาจิตตีห้าร้อยสเครือัดที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติเขาไม่ได้ปวรารณาไว้ก่อนเข้าไปหาเครหอขัดแล้วกําหนดชนิดจีวอนต้องเอาบัตนิสกี้ยปาจิตตีเครือัดที่ไม่ใช่ญาติภิกษุไม่แน่ใจเขาไม่ได้ปรบารณาไว้ก่อนเข้าไปหาครหอขัดแล้วกําหนดชนิดจีวอนต้องเอาบัตนิสกี้ยปาจิตตี เรื่หัตถ์ไม่ใช่ ญ, ญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติเขาไม่ได้ปรนนธาไว้ก่อนเข้าไปหาครืาหัตถ์แล้วกําหนดชนิดจีวรต้องอบัติสักขิญปาจิตตีทุกกาทุกกฎเครื่าหัตถ์ที่เป็นญาติภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ญาติเข้าไปกําหนดชนิดจีวรต้องอบัติทุกกฎเครื่า ห, าหัตที่เป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจเข้าไปกําหนดชนิดจีวรต้องอบัติทุกกฎเครื่หัตที่เป็นญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติเข้าไปกําหนดชนิดจีวรไม่ต้องอบัติ